คืนสยองอันเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่คุณเบนจพรได้รับแจ้งจากครอบครัวของคุณชยชิตก็ขอสงวนนามสกุลนะคะลูกค้าผู้เอาประกันภัยของบริษัทที่คุณเบนจพรนทำงานอยู่นะคะว่าคุณชยชิตเนี่ยได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิตแฮรรี่ไปช่วยดำเนินการตามกรมธัรม์ซึ่งคุณชยชิตเป็นผู้ซื้อเอาไว้กับคุณเบนจพรเมื่อหลายปีก่อน